ขนาดบาดของพระกรรมฐานบาดเป็นบริการจําเป็นของพระไทยในวงพระพุทธศาสนาที่จะขาดไปไม่ได้และเป็นบริการสําคัญแต่วันเริ่มอุปสมบทตลอดชีวิตแต่บาดมีหลายชนิดและมีขนาดต่างๆกันตามหลักพระวินัยกําหนดไว้เฉพาะบาดพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นรู้สึกจะมีขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นส่วนมากทั้งนี้เนื่องจากท่านชอบเที่ยวทุดงไปในที่ต่างต่างตามป่าตามภูเขาประจำนิสัยไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นฐานในเวลาออกพรรษาแล้วการเที่ยวท่านชอบเดินด้วยเท้าเปล่าไปตามอัธยาศัยบริการจำเป็นที่ควรนำติดตัวไปด้วยในเวลาออกเที่ยวทุดงนั้นไม่มีมากมีเพียงบาทสังฆติจีวรสบงผ้าอาบน้ำปลดมุงกาน้า เครื่องกรองน้ำมีดโกนรองเท้าเทียนไขบ้างเล็กน้อยและโคมไฟที่เย็บหุ้มด้วยผ้าขาวสำหรับจุดเทียนเดินจงกรมทำความเพียรและถื อ, อยิ้วไปมาตามบริเวณที่พักในเวลาค่ำคืนแทนตะเกียงบริการบางอย่างเจนพาสังคติมุงมีดโกนเทียนไขและโคมไฟท่านชอบใส่ลงในบาตรดังนั้นบาตรพระทุดงจึงมากใหญ่ผิดธรรมดาบาตรทั้งหลายที่ใช้กัน พราจำต้องใส่บริการเพื่อความสะดวกในเวลาเดินทางพอบาดเต็มบริการก็หมดพอดีเมื่อใส่บริการลงเต็มบาดแล้วก็เตรียมสะพายออกเดินทางบาข้างหนึ่งแบกกลดและสะพายย่ามเล็กๆอีกข้างหนึ่งสะพายบาดซึ่งหนักเอาการเฉพาะท่านที่มีเคยชินก็น่าจะแย่อยู่บ้างหรืออาจสะพายไปไม่ไหวแต่ความเป็นพระกรรมฐานก็เทียบกับนักรบในสงคราม จำต้องอดทนต่อเหตุการณ์ที่จะพึงพเผชิญบาต ท, ที่มีขนาดใหญ่บ้างเวลาฉันจังหันก็สะดวกเพราะท่านฉันสำรวมในบาตใบเดียวมีข้าวมีหวานท่านรวมลงในบาต ท, ทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับภาชนะถ้วยชามพอฉันเสร็จก็ล้างและเช็ดบาตให้สะอาดราศจากกลิ่นอายการล้างบาตอย่างน้อยต้องล้างถึงสามน้าเมื่อเช็ดแห้งแล้ว ถ้ามีแดดก็ผึงครู่หนึ่งแล้วเก็บไว้ในที่ควรถ้าอากาศแจ่มใสฝนไม่ตกก็เปิดฝาไว้เพื่อให้หายกลิ่นที่อาจค้างอยู่ภายในการรักษาบาทท่านรักษาอย่างเข้มงวดกดคันเป็นพิเศษคนไม่เคยล้างไม่เคยเช็ดและไม่เคยรักษาบาทท่านไม่อาจมอบบาทให้อย่างง่ายดายเพราะกลัวบาทจะเข้าสนิมกลัวจะวางไว้ในที่ไม่ปลอดภยัย กลัวบาดจะกระทบของแข็งและกลัวตกลงถูกอะไรอไรแตกหรือบุกแล้วเกิดสนิมแนววาระต่อไปเมื่อเกิดสนิมแล้วต้องขัดใหม่หมดทั้งลูกทั้งข้างนอกข้างในแล้ระบมด้วยไฟอีกถึงห้าไฟตามพระวินยัยจึงจะใช้ได้ต่อไปซึ่งเป็นความลำบากมากมายท่านจึงรักสงวนบาทมากกว่าบริคารอื่นๆไม่ยอมปล่อยมือให้ใครง่าย เคยมีผู้ไปขอรับบาดท่านเวลาขากลับจากบินทบาทเมื่อท่านไม่แน่ใจกับผู้มาขอรับบาดว่าเคยปฏิบัติต่อบาดมาแล้วอย่างไรหรือไม่ท่านมักจะพูดอุบายต่างๆอันเป็นลักษณะห้ามโดยปริยายไม่ยอมมอบบาดให้อย่างง่ายดายจนกว่าได้สอนวิธีวางบาดวิธีล้างบาดวิธีเช็ดบาดและวิธีรักษาบาดจนผู้นั้นเป็นที่เข้าใจดีแล้วท่านจึงจะมอบบาดให้ นี่เป็นธรรมเนียมรักษาบาทของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นที่เคยปฏิบัติกันมาแต่โลกมีอนิจจังเป็นทางเดินจึงไม่อาจทราบได้ในสมัยนี้ว่าพระธรรมวินัยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นอนิจจังไปโดยประการใดหรือไม่เท่าที่สังเกตก็พอทําให้น่าวิตกได้อยู่บ้างแล้วเนื่องจากสิ่งแวดล้อมกําลังคืบคลานเข้ามาในวงปฏิบัติที่ละเล็กละน้อยและค่อยๆจเจริญขึ้นเรื่อยๆ จ่วนจะเข้าขั้นจะอบพยพสำหรับท่านที่เป็นสุปฏิบัติมีใจหนักแน่นในธรรมเราอาจฝืนทนอยู่ไม่ได้เนื่องจากความแสลงแทงตาสะดุดใจที่จะทนอยู่ได้อากักยิริยาของผู้ปฏิบัติกำลังเริ่มไหวตัวไปตามสิ่งดังกล่าวอันเป็นการแสดงบอกลักษณะความสนใจและตื่นเต้นพิกลทั้งท่านและเราะนิดที่อาจเดาไม่ผิดถ้าไม่ยอมสานึก และขยับตัวเข้าใกล้ชิดต่อหลักเดิมคือพระธรรมวินัยและทุดดงขวัตทั้งหลายอันเป็นเหมือนเกราะหลบภัยดังที่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินมาก็น่ากลัวจะกลายเป็นพระทุดดงคักรรมฐานประเภทจรวดดาวเทียมชนิดมองไม่ทันไปได้ในไม่ช้าเพราะความรวดเร็วเกินสมัยที่ท่านพาดำเนินมานั่นเองการกล่าวทั้งนี้ มีได้ตั้งใจจะตำหนิติเตียนท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่อย่างใดแต่กล่าวด้วยความที่น่าวิตกกับพระธรรมวินัยและธุดงควั์ที่ผู้ปฏิบัติเราซึ่งชอบความเปลี่ยนแปลงเอาตามใจชอบจะฉุดลากลงมาสู่ตลาดแห่งความสะดวกของตนเพราะสมัยนี้การเรียนรัดกันพระธุดงเราก็อาจต้องการความรวดเร็วทันใจ และอาจเรียนและปฏิบัติแบบรัดกลุ่มยิ่งกว่าศาสดาและครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ได้ซึ่งการรัดกลุ่มแบบนี้น่านจะเป็นแบบล้างมือคอยเปิบแต่สุดท้ายก็หมดหวังนั่งซึมจึงขอฝากธรรมะนี้ไว้กับพระธุดงเราทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาสิ่งตามใจทั้งหลายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแอบซ่อนอยู่ตามมุมวัดมุมกุฏิชายสบงจีวร และการแสดงออกจะได้ถอยตัวห่างออกไปไม่มีโอกาสมาซ่องสูมกำลังทำลายวงคณะกรรมาฐานเราให้จิบหายไปอย่างรวดเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามนักปฏิบัติเราถ้าเพลนมองข้างนอกยิ่งกว่ามองข้างในคือตัวเองเทียบกับหลักธรรมวินัยแล้วต้องจัดว่าเป็นความเพลอตัวเพื่อเปิดทางให้เหล่าร้ายทั้งหลายคือคลานเข้ามาตั้งวัดใหม่ ที่รกรุงรังขึ้นแทนวัดเก่าตั้งเราตัวดื้อด้านขึ้นแทนเราตัวเดิมที่เคยมีธรรมะในใจให้จมมิตรชนิดมองไม่เห็นของเดิมแน่นอนคำว่าธรรมะกลายเป็นโลกคนฉลาดกลายเป็นคนเคลขวคนมีสติกลายเป็นคนเมาคนที่เคยเป็นเจ้านายของตัวแต่กลายมาเป็นบอยด้วยสารคุลนั้น ก็กลายไปจากบุคคลคนเดียวกันนั่นแหลเพราะความรู้สึกเนื้อคิดพาให้กลายกายวาจาที่เคยเป็นเครื่องมือทำดีก็กลายเป็นเครื่องมือสังหารตนไม่ชิบหายวาย่วงไปสิ้นไม่มีส่วนใดจะคืนตั้งตัวดีเด่นคงเส้นคงวาอยู่ได้ถ้าลงใจได้เปลี่ยนสภาพความคิดเห็นเป็นอื่นแล้วท่านนักปฏิบัต จึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมรดกอันดีเยี่ยมไว้อย่างเต็มภูมิแห่งความสามารถขาดดินในการปฏิบัติแม้สิ้นชีพก็อย่าให้สิ้นลวดลายที่เคยเป็นลูกนักรบถึงจะจบชีวิตลงในนาทีนั้นเพราะการสู้รบกิเลส น, นานาชนิดด้วยข้อปฏิบัติอันทรหดอดทนก็ขอให้สิ้นไปในถ้ำกลางแนวรบซากศพที่ตายในสงครามแห่งกิเลสแทนที่จะเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัว แต่จะกลายเป็นซากศพที่หอมหวนทวนลมตลบอบกวนไปทุกทิศทุกทางทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเป็นศูนย์กลางแห่งความดึงดูดจิตใจของมนุษย์มานาเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้มีความกระยิมยิ้มย่องต้องใจอยากมาพบมาเห็นและกราบไหว้สักการะ บ, บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมเลือนเหมือนองค์พระศาสดาและพระสาวกทั้งหลายตลอดครูอาจารย์ท่านนิพพาน ซึ่งเป็นสักขีพยานแห่งความทรงจาของพวกเรามาแล้วอย่างประจักษ์ใจประอาทิพระอังคารเท่าฐานของท่านไม่มีผู้ใดรังเกียจเดียวชันและกลัวกันมีแต่ความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าด้วยกาลังศรัทธาต่างประสงค์พระอาิทธาตท่านมาไว้สักการะบูชาเป็นความใจไว้ระลึกทุกเช้าขําวันคืนยืนเดินนั่งนอนเพื่อความสวัสดีมงคลแก่ตนและสถานที่บ้านเรือน และเพื่อความแคล้วคลาดหลอดพยันตรายทั้งหลายจะได้ไม่มาถูกต้องสัมผัสชีวิตร่างกายซึ่งเป็นสมบัติที่รักสงวนอย่างยิ่งในโลกทั้งสามชีวิตอัตภาพของท่านนักปฏิบัติจึงขอวิงวอนให้เป็นไปด้วยความแกล้วกล้าสามารถในการห้ามหันฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการที่กิเลสันดานก่อกาแพงกันไว้อย่างหนาแน่นมั่นคงจนทะลุไปไม่ได้ ดังท่านผู้เป็นศาสดาและอาจารย์พาดำเนินและได้ชัยชนะมาสู่โลกตนก็หลุดพ้นศา ส, สนาก็พลอยเด่นโลกก็พลอยเฟื่องฟูเพราะคนที่ดีมีใจเป็นธรรมซึ่งรอกราบไหว้บูชายังมีอยู่มากและคอยเหนียวคอยเกาะท่านผู้พาดำเนินด้วยความอาจหารและถูกต้องแม่นยำในการเป็นผู้นาด้วยความราบรื่นชื่นใจ โลกยังยู่โหยต่อความดีและคนดีอยู่มากจนไม่อาจประมาณนับได้แม้ตนไม่สามารถดัดแปลงแต่งกายแต่งใจให้ดีเป็นที่พึงพอใจได้แต่ก็อยากเห็นท่านนักปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสนาเข้าใกลชิดสนิทธรรมอยากเคารพเลื่อมใสและกราบไหว้เทิดทูนเป็นควัญใจไม่มีวันอิ่มพอโลกแม้จะพากันอยู่กับความโกลาหลอนละมาน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 เมื่อสมพระไทยไร้กังวลหมนมองทุกอย่างแล้วจึงส่งหวนระลึกความหลังที่เคยทําความปรารถนาไว้และส่งทําหน้าที่ของศัสดาเพื่อประกาศธรรมสอนโลกแม้พระสาวกทั้งหลายก็ดําเนินองค์ตามแนวทางของศัสดาคือสนใจสั่งสอนตนก่อนอื่นจนสําเร็จไปด้วยดีแล้วค่อยสั่งสอนมูชนจึงเป็นผู้ตามเสด็จด้วยความคล้าคลาดปลอดภัย ท่านผู้ใดดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระองค์และสาวกท่านผู้นั้นจะเป็นองค์แทนธรรมะมรดกที่ประทานไว้แน่นอนไม่สงสัยท่านนักปฏิบัติจึงควรภูมิใจในแนวทางอันเป็นสุขโตนี้